ทำอะไรนางแจ๋วตายแล้วป้าตายแล้วนางแจวนี่ก็ะทำหนังสือของคุณยิ่งหล่นพื้นเลยเหรอเจ๋วตกใจนี่ค่ะป้าตกใจที่เห็นฉันเข้ามาไงก็ใช่น่ะสิคะป้าเข้ามาเงียบอะ่ะไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยนี่คะเนี่นางแจวถ้าฉันไม่เข้ามาเงียบๆแล้วฉันจะเห็นแกรื้อข้าของของคุณยิ่งแบบนี้เหรอฮะเจ๋วไม่ได้รื้อของของคุณยิ่งสักหน่อยไม่ได้รื้อเหรอ เห็นแกถือหนังสือของคุณยิ่งทนท้ออย่างเนี้ยยังปฏิเสธเสียงแข็งแล้วนางแจ้วฮะแจ้วก็แค่อยากรู้ว่าคุณยิ่งทำอะไรกันแน่เห็นไฟในห้องเปิดสว่างเลยส่งยามแทบทุกคืนอีตอนมองขึ้นมานะคะก็เห็นเงาของคุณยิ่งเหมือนทำอะไรอยู่ที่โต๊ะตัวนี้แหละแล้วแกก็ยุ่งวุ่นวายอะไรด้วยล่ะมันไม่ใช่เรื่องของแกสักหน่อยนี่แต่แจ้วอยากรู้นะค ะ, ะสอดรู้สอดเห็นอย่างเงี้ยระวังตัวให้ดีเถอนางแจ้ว ระวังอะไรคะก็ระวังจะโดนคุณหญิงเฉดหัวแกส่งนศิยักามได้และทําไมคุณหญิงจะต้องทําอย่างนั้นด้วยล่ะคะก็แค่อยากรู้แค่นี้เองไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนิดนาแกเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยงั้นเหรอแต่คนอื่นนะ่ะเขาอาจจะเห็นเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นั่นแก ว, แว่าเอา้าม่าจะยืนแค่แก่กังตอยู่นั่นแหละรีบเก็บหนังสือของทุ่นยิ่งเข้าสิหนังสือพังหมดแล้วละ่ะค่ะค่ค่ะเก็บเดี๋ยวนี้ล่ะคะ่ะแล้วนังแกหยิบหนังสืออะไรขึ้นมาดู อ๋อนี่ค่ะป้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านไม่ออกหรอกค่ะแต่มีรูปของพระเจ้าอยู่ด้านในนะคะพระเจ้าเหรอค่ะแจวว่ามันจะต้องเป็นคําสอนของศาสนาคริสต์แน่ๆเลยค่ะแง่ล่ะรูปพระเยซูคริสเต็มหน้าอย่างเงี้ยคงจะเป็นพระไตรบีดกของศาสนาพุทธเราไม่ได้นางแจวเอ้ยเอ๊ะหรือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นคัมภีร์ไบเบิล โอ oh, ้ใช่ใช่ต้องเป็นคำภีสอนให้ทำดีในคริสตศาสนาแน่นอนเลยป้าอ่านให้แจ๋วฟังหน่อยสิเออเดี๋ยชาติหน้าให้ฉันเกิดเป็นตระกูลที่สงสงเรียนภาษาอังกฤษได้ซะ ก, ก่อนเถอะแล้วฉันจะอ่านให้แก่ฟังโอ่ป้าแล้วก็ป้านึกเหรอว่าชาติหน้าป้าจะเกิดมาเป็นคนได้อีกนะ้าทำไมถึงเกิดไม่ได้ก็ชาติเนี้ยป้าไม่ได้ทำบุญชาติหน้าก็อาจจะเกิดเป็นเป็นอะไร บอกมนะันนั่นนางแก้วเป็นอะไรเป็นห้องห้องยังไงล่ะคัะป้ า, า, านี่นี่มีปากเสียแม้นี่ขอตบปากซะหน่อยเถอดดีไหมโอ๊ยาปากเสียนะปากดูนะทำไมต้องตบแรงขนาดนี้ด้วยละ่ะก็อยากพูดจาลามปามฉันทำไม <c oughs> ให้มันรู้ซะมั่งว่าใครเป็นใครฉันแก่แล้วเป็นผู้ใหญ่ส่วนแกเป็นเด็กหัดรู้จักให้เกียรติและเคารพผู้ใหญ่บ้างสินังแก้วไปเลยนะลองไปทางานได้แล้ว และถ้าไม่จําเป็นนะอย่าสเส อ, อเข้ามาวุ่นวายในห้องนอนของคุณยี่ไปกันขาดฉันส่างแกได้เย็นไหมแกฮะได้ได้หินกับป้า อ, อ่ก็ดีแล้วที่ฟังภาษาคนรู้เรื่องถ้าแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเม่อไหร่แล้วก็ฉันนี่แหละจะเป็นคนแพ่งกระบาลแกเองเอ้าให้ แกกับมากันเี๋วเจะวระไหมล่ะพี่แกคือนไปวุ่นวายในห้องน้องคุณยิ่งทำไมคะก็เจวแอบชอบคุณยิ่งเขานิดนานแกว่าอะไรนะแตวกี้แกว่าอย่างไรวะแหมทำไมพี่ต้องตกใจขนาดนั้นด้วยละ่ะทำตาโตเท่าไข่ห่านอีกแน่ไหนแกพูดมาอีกเทีสยิเจ๊ว แจ๋วบอกว่าแจ๋วแอ บ, บชอบคุณยิ่งค่ะทีเนี้ยได้ยินชัดเจนหรื อ, อยังล่ะคะแกตายได้งานนีตายใช่แกตายชัวทำไมแจ๋วต้องตายด้วยละ่ะความรักก็เป็นสิ่งสวยงามความรักคือการให้ความรักคือการให้อภัยความรักช่วยจัดลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่แล้วทำไมจะต้องตายด้วยละ่ะเลอะเถอะ ที่ตายพราแกไปรักคุณมีฐานะมากกว่ายังไงเล่าไม่เกี่ยวกันเลยเห็นมานักต่อ น, นักแล้วที่คนหนึ่งฐานะต่ําต้อยแต่งงานกับอีกคนหนึ่งที่มีฐานะร่ํารวยแล้วก็อยู่กันยาวนานแล้วทําไมแจวจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้ล่ะพี่แล้วคุณยิ่งก็สารภาพรักกับแกแล้วเหรอเปล่าก็่นั่นไงคุณยิ่งไม่มีวันรักคนอย่างแกหรเลยทําไมพี่ถึงมั่นใจขนาดนั้นล่ะก็เพราะว่าแกไปขี้ข่าส่วนคุณยิ่งเป็นเจ้านายไม่เกี่ยวกันเลยเออ แกก็พยายามดูสิว่าความฝานของแกจะกลายเป็นจริงได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นฉันอยากจะเตือนแกในฐานะในฐานะที่แกเป็นน้องสาว ข, ของฉันนั่นแกวเตือนเรื่องอะไรไม่ทราบก็เตือนว่าก่อนที่แกจะเอาชนะใจคุณยิ่งแล้วก็แกต้องเอาชนะใจคุณหญิงให้ได้สะ ก, ก่อนให้คุณหญิงยอมรับแกว่าเป็นลูกว่าที่ลูกสะพ้ยให้ได้สะ ก, ก่อนนั่นแหะแหมคุณยิ่งไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของคุณหญิงสักหน่อยถ้าเจาเป็นเมียของคุณยิง่ง ฉันก็ไม่ได้เป็นสไปยของคุณหญิงนินนาก็แล้วทำไมเจ้าจะต้องเอาชนะใจคุณหญิงด้วยล่ะเจ้าใหเจ้านี่แกไม่รู้ยัไงว่าคุณหญิงท่านเอ็นดูคุณยิ่งเหมือนลูกแท้มาอย่างนั้นคุณหญิงจะให้คุณยิ่งเรียกคุณหญิงว่าแม่ทํำไมแกคอยดูสิสอาบสวัสดิ์ของคุณหญิงทั้งหมดจะต้องยกให้คุณยิ่งอย่างไม่ต้องสงสัยและอย่างงี้ยังไม่รู้ว่าคุณยิ่งเป็นลูกชายคุณหญิงอีกนะวะเหรอเจ้าก็คือว่าว่าไง ว่าอะไรล่ะพี่เอ้าแกเอาชนะใจคุณหญิงได้รูปร่าเฮ้ยหนักแกมากๆใช่ไหมใช่แล้วคุณหญิงน่ะมีว่าที่สะพ้ยในใจแล้วล่ะแจ่วเคยได้ยินคุณหญิงพูดโทรศัพท์กับคุณหญิงอีกท่านหนึ่งด้วยเห็นไ่มเห็นว่าคุณหญิงท่านนั้นน่ะมีลูกสาวสวยด้วยนะแถมยังเรียนอยู่เมืองนอกด้วยเฮ้ยนี่เจ้าจะต้องกินแห้วแทนอีกแล้วจริงๆเหรอเนี่ยมันแงงอยู่แล้วแอบรักใครไม่รัก ดันไปแอบรักเจ้าได้มันก็ฝันลงล้มเล้อย่างนี้เราเว้เจ้าเออมีหน้าเลยเจอ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 วันนี้ฉันจะกระซิบให้ฟังหมดทั้งใจจกากเพือคำท้าที่ฉันและเธอมีคืนนี้จะหายไปตอบทุกความในใจที่เรารู้สึกตรงกันทุกอย่างคือเธอและฉันเราอยู่ด้วยกันกับพบแต่คำตอบที่สวยงาม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 จะ น, นานไหมตลอดไปช่ไหมไม่เห็นต้องมีคำถามต่อไปเมื่อตอนนี้ฉันพร้อมชมอบหัวใจให้เธอมันคงเป็นความรักรักที่เป็นเราไม่เคยเงาไม่เหมือนใครลัทุกความในใจที่ยังไม่บอกเธอ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 เมืนไม่เคยเจอใครสักคนอาจจะเคยมีคนที่เคยมองตากันแต่ก็ไม่เคยสงใจอาจจะเคย ชีวิตฉันยังว่างเปลา่าไม่มีคนเคาใจฉันต้องการแค่ใครสักคน ช่วยเงาที่มีเด็กจางหายไปช่วยเป็นสายสว่างในหัวใจ ฉันก วางีห้ัวใจอยากจะขอแค่ใครสักคนที่รักจริง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 รู้จักผู้ชายคนนั้นไหมคุณไหนอ่ะนั่นไงเดินตรงมาทางเราแล้วนั่นไงเขาดังมากเลยนะดังในคณะน่ะเหรอใช่แล้วเขาเรียนกเกษตรปีสุดท้ายด้วยนะเธอแล้วก็เป็นลูกหลานของท่านพลตํารวจเอกชัยพิชัยฤทธิ์นาลงนะ่ะเหรออืมเธอรู้จักชื่อที่ฉันพูดถึงหรือเปล่ามิรู้จักหรอกเป็นลูกหลานของท่านหรือไงเห็นว่าท่านอุปการะนะ่ะแต่จะเป็นลูกหลานแท้ๆหรือเปล่าไม่รู้นะ เพรานามสกุลของเขาไม่ได้เป็นพิชยัยฤทธนรงค์หรอกเขาชื่ออะไรนะนายยิ่งศัก์นำสกุลอะไรฉันจําไม่ได้แล้วล่ะยิ่งศัก์เหรออืมเอ๊ชื่อคุณคุณนะเธอเธออาจจะเคยรู้จักเขาก็ได้นะเออฉันกําลังนึกอยู่อะ่ะอยากให้สืบประวัติของเขาไหมล่ะไม่ล่ะเขาไม่ได้มีความหมายอะไรสาหรับฉันสักหน่อยไปเถอะเดี๋ยวสิฝนจะรี่ไปไหนล่ะอยู่ทักทายเขาสักหน่อยไม่ได้หรือไงก็ทำไมต้องอยู่รอเขาด้วยล่ะ เอาหน่ารู้จักกันไว้ไม <Spanish. S 1> <guarante S 2> ่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนี่นาเนี่ยเขาก็จวนจะจบปริญญาแล้วนะมีสนใจหรอกเอาหน่าเป็นเพื่อนกันก็ได้นี่นาหรือไม่ก็คิดซะว่ารู้จักในฐานะนิสิตสถาบันเดียวกันดีไหมฮะอือเธอนี่จริงๆเลยนะนั่นเขาเดินเข้ามาใกล้ๆแล้ว สวัสดีค่ะพักผมเหรอครับค่ะก็มีคุณเดินตรงมาคนเดียวคงจะไม่คิดว่าฉันมียานวิเศษสามารถคุยกับต้นไม้ได้หรอกนะถึงฉันจะเรียนเกษตรก็ตามแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นอัจฉริยะอะไรหรอกนะคะอครับขวดดีฉันโสพิษค่ะอนี่เพื่อนฉันน้ำฝนค่ะน้ำฝนค่ะน้ำฝนเพื่อนฉันเรียนอยู่ปีสองค่ะส่วนคุณปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ รู้จักผมด้วยเหรอครับนิสิตดังๆนามว่านายยิ่งศักด์มีนิสิตในมหาวิทยาลัยนี้ไม่รู้จักมากละะเลยค่อผมไม่ใช่คนเด่นคนดังอะไรนะฮะอเกียดผมขนาดนั้นเลยเกายังผมไม่มีเกียรติพอที่จะได้รับการชื่นชมขนาดนั้นหรอกครับ อ, อ๋อคุณน้ำฝนยินดีที่เรารู้จักครับเดี๋ยวคุณหน้าคุณตาเขาเหลือเกินมันเคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นแหละยิ่งศักด์กเอ๊ เคยได้ยินที่ไหนมาดก่อนนะเออมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณคุณน้ำฝ น, น ไ, มไม่มีอะค่ะผมเคยมีเพื่อนคนนึ่งชื่อน้ำฝนเหมือนกันฮะเหรอคะครับตัวตอนนั้นเรายังเด็กมากเขาเน้องผมสองสมปีอ่ะเขาน่ารักมากฮะใจดีเราเข้ากันได้ดีมากทีเดียวแหละฮะเออแล้วตอนนี้ล่ะคะเออตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ อ, อ้าวทาไมล่ะคะคือเราไม่ได้เจอมานานแล้ว ตอนนั้นไปอยู่แค่ป6เองพผมจบป6เราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยฮะอ้าวอย่าบอกนะว่าพ่อแม่คุณย้ายไปอยู่ที่อื่นนะ่ะพ่อแม่ผมไม่ได้ย้ายหรอกครับแต่ผมคนเดียวต่างหากที่มีความจําเป็นต้องไปอยู่ที่นั่นนะฮะความจําเป็นอะไรคะเออคือผมออขอโทษค่ะที่ละลาบละลวงไม่เ ป, เป็นไรหรอกครับเออจินจิตไ ร, รู้จักนะฮะเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะครับเราเรียนสถาบันดีกว่าแล้นี่นาค่ะ ขอโทษนะครับผมขอตัวก่อนฮะค่ะแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันครับคําพูดบางประโยคของเขายิงดังกึดก้องอยู่ในโซนประสาทเราไม่สางซาเลยรู้ว่าเขาก็คือผมคนเดียวที่มีความจําเป็นต้องไปจัดที่นั่นเราได้จัดกันตั้งแต่เด็กฮะผมจบป .6 ก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยจบป .6 ก็ได้เจอถธออีกเลยจบป .6 ก็ได้เจอถออีกเลยจบปอ .6 ก็ได้เจอเธออีกเลยจบปอ .6 ก็ได้เจอเธออีกเลยฝนจ้าฝนอุ้ยนี่เธอเป็นอะไรไปนะฮะเปล่าไม่มีอะไรหรอกเธอรู้จักเขาดีใช่ไหมฝนเขาชื่อนายยิ่งศักดิ์ รู้จักดีใช่ไหมฝนไม่ไม่รู้จักเลยนี่ฝนทำไมต้องรีบเดินจ้ามเมาอาวด้วยล่ะฝนรอด้วยสิฝน